ข อ, อนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ใช้เวลาวันนี้มาฟังธรรมที่บ้านอารีอนุโมทนากับทางบ้านอารีด้วยที่ได้มีข้อมีส่วนในการส่งเสริมพุทธศาสนาให้เกิดการฟังธรรมตามการปฏิบัติธรรมตามการธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็น สิ่งที่ทําให้บุคคลประสบความบริสุทธิ์สะอาดใจและก็เกิดความเยือกเย็นเกิดความอุ่นเกิดความมั่นคงเกิดความสดใสและก็เกิดความสุขเกิดความสงบธรรมะทั้งหมดทั้งปวงของพระพุทธองค์โดยข้อแรกสุดธรรมะทั้งหลายรวมเป็นส่วนของกุศล ไม่ว่าดูไม่ว่าฟังไม่ว่าเอาไปคิดหรือว่าไปกระทําอยู่คนนั้นกําลังเสพกุศลธรรมเข้าไปในใจกุศลธรรมย่อมมีกลิ่นอายของสิ่งสะอาดบริสุทธิ์เท่ากับเอาใจเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสะอาดเรื่องบริสุทธิ์สิ่งสะอาดบริสุทธิ์เข้าไปในใจมากๆใจก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้น ใจที่บริสุทธิ์สะอาดย่อมทําให้เกิดภาวะที่อ่อนโยนและเยือกเย็นพอสะอาดมากๆก็จะอ่อนโยนสะอาดให้ดีอ่อนโยนดีๆก็จะค่อยๆเย็นพออ่อนโยนขึ้นเย็นขึ้นต่อมาก็จะเริ่มสัมผัสกลิ่นอายที่จะรู้สึกเป็นคนสงบขึ้นความรู้สึกนิ่งขึ้นก็จะมีพอความเย็นเกิดขึ้นความนิ่งเกิดขึ้นนะความฟุ้งซ่านก็ไม่รบกวน จิตที่ไม่ค่อยฟุ้งซ่านย่อมเป็นจิตที่มีระดับความมั่นคงและค่ม ง, ง่ายและไม่ค่อยพลังพาผดผิดพลาดพอฟุ้งซ่านเขาไปทั่วอันนี้คือความทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฟุ้งซ่านกับลําบากอย่างหนึ่งถ้าคุมไม่เป็นหรือคุมไม่อยู่โดยมากถ้าฟุ้งมันเกิดจากร้อนใจที่ร้อนจะฟุง้งใจที่เย็นจะนิ่ง อันนั้นการศึกษาธรรมะจริงๆธรรมะสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเมื่อใจอยู่กับธรรมะแล้วให้แน่นๆก็สามารถทาให้จิตนั้นเกิดความสงบขึ้นมาเพราะธรรมะได้ด้วยนะบางคนจำบทธรรมพระพุทธเจ้าไปบางบทเป็นเนื้อห า, าภาษิตไพเราะมีคุณค่าเป็นถ้อยคำสั้นๆเป็นคำตรัสสั้นๆมากมายที่มีความวิ จ, จิต มีคุณค่าสาระยช่วงเวลาว่างๆลองอ่านลองเก็บไปจําไว้สักลายลายบทเมื่อยามที่เรานั่งรออะไรหรือจะต้องต้องการที่จะเติมความลุ่มลึกให้ตัวเองก็เอาธรรมะนั้นมาหาความกระจา่างใครคูวนเพื่อหาคำตอบก็เอาเวลาไปไว้กับธรรมะเวลาเอาไว้กับธรรมะบางทีก็เอาไว้กับการอยู่กับ ทดลองกรรมฐานทางสมถะที่พระองค์สอนทดลองด้วยการดูลมเยอะๆหาความนิ่งเยอะๆทดลองที่จะค้นคว้าทำการศึกษาสิ่งที่พระ เ, เจ้าบอกให้ศึกษาเช่นท่านได้ศึกษาขัน5กับทดลองเอาขันห้ามานั่งทำความเข้าใจดูทีนี้การศึกษาศาสนาเนี่ยมันมีด้วยกันหลายระดับศึกษาในขั้นสร้างความรู้ ให้รู้ว่าอะไรคืออะไรกับศึกษาในขั้นบ่มเพาะขั้นบ่มเพาะนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งให้รู้ว่าศีลคืออะไรศึกษารบเป็นอย่างไงศึกษาแล้วจะต้องทำอย่างไรพอรู้แล้วต่อมาไปบ่มเพาะให้รู้ว่าสมาธิทำอย่างไงหน้าตาสมาธิเป็นอย่างไงศึกษาให้รู้แล้วไปบ่ม ให้รู้ว่าเจริญวิปัสนาทำอย่างไรเข้าใจดีแล้วไปบ่มเพาะให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงความกระจ่างจำแจ้งให้รู้ว่าควรสำรวมอะไรควรระวังอะไรแล้วก็ไปบม่มเพาะการปฏิบัติมันมีสองระดับขั้นตอนคือระดับที่สร้างความรู้กับขั้นอบรมบม่มเพาะ ให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปให้จิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปให้จิตเกิดการยกระดับขึ้นมาทีนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวการปฏิบัติกันในมุมต่างๆที่พูดถึงการปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ก็มีการพูดไว้บ้างแล้วก็พูดไปมาก แต่ก็มีมุมอันเป็นสาระสําคัญเกี่ยวกับศาสนาจริงๆก็คือเรื่องอริยสัจสอริยสัจสี่เป็นข้อซึ่งพุทธองค์ได้ส่งค้นพบและเมื่อค้นพบอริยสัจแล้วเนี่ยความรอบรู้เรื่องอริยสัจทำทุติยเจ้ากลายเป็นผู้สิ้นอาสวะเลยและก็กลายเป็นบุคคลผู้ รู้ถึงฐานะของการเป็นสัพพัญญูคือเป็นผู้แทงตลอดรอบรู้อย่างแท้จริงเขตความรู้เรื่องอริยสัจมันจึงเป็นความรู้ที่มีความกว้างลึกและครอบคลุมครอบคลุมในฐานะที่ว่าเมื่อใดรู้แจ้งอริยสัจได้สำเร็จผู้นั้นชื่อว่าสิ้นอวิชชาเลยนี่คือระดับสิ้นอวิชชา อยู่ในจุดที่เห็นแจ้งอริยสัจทั้งสี่ประการทีนี้อริยสัจสี่เนี่ยทำให้คนสับสนพระเดชเจ้าดันเรียกอริยสัจด้วยท้อยคำที่ทำให้เราตีความผิดพลาดได้เรียกอริยสัจว่าทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์วิธีให้ได้มาซึ่งความดับสนิทแห่งทุกข์พอใช้คำว่าทุกข์เนี่ย คนเราชอบนึกถึงแต่เรื่องทุกข์ทรมานหรือทุกขเวทนาพอใช้คำว่าทุกคนเราก็จะนึกถึงตรงนั้นคําว่ารู้แจ้งทุกข์ก็จะเข้าใจว่าไปนั่งดูความรู้สึกทุกข์ทรมานแล้วก็เห็นความรู้สึกทุกข์แต่จริงๆขอบเขตคําว่าทุกข์เนี่ยพระองค์เรียกคํานั้นในยุคสมัยโบราณณจุด ต, ต้นของพระพุทธเจ้าแท้จริงท่านไม่ได้สแสวงหาความดับดับความรู้สึกอันเป็นทุกข์ใจนะท่านไม่ได้สแสวงหาการดับความทุกข์ใจท่านต้องการสแสวงหาสิ่งที่ทําให้ชีวิตของท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายชีวิตที่แก่ได้เนี่ยความแก่เป็นทุกข์ไม่อยากจะแก่ชีวิตที่เจ็บได้เนี่ยความเจ็บเป็นทุกข์ ชีวิตที่ต้องเจ็บได้ป่วยได้ในชีวิตชีวิตอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ชีวิตที่ต้องตายได้เนี่ยชีวิตอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งเป็นทุกข์แล allora so, ้วก็ความตายคือทุกข์อย่างหนึ่งที่คนกังวลไม่อยากตายความเจ็บก็คือทุกข์อย่างหนึ่งที่คนกังวลกันเลยไม่อยากเจ็บความแก่ชราก็คือทุกข์อย่างหนึ่งที่คนก็กังวลไม่อยากแก่หลักๆคือไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ไม่อยากเลยแต่ด้วยความที่โลกสมัยนั้นเนี่ยโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีความรอบรู้การผ่านวันเวลาเนี่ยมันยังไม่ยาวนานเท่าเราจากจุดของพระเจ้ามาถึงเราเนี่ย 2,000 กว่าปีโลกผ่านการเล่าเรียนผ่านอะไรมากมายจนเรารู้แล้วว่าใครก็ตามที่เกิดอ่ะก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใคร จะมาหาวิธีที่ทำให้ไม่เจ็บแต่พยายามป้องกันดีที่สุดว่าทำอย่างไรจะไม่เจ็บแต่ยอมรับเลยว่าคนทุกคนเกิดมาต้องเจ็บเป็นธรรมดาคนทุกคนต้องแก่เป็นธรรมดาคนทุกคนต้องตายแน่นอนเป็นธรรมดาอันนี้คือคนยุคนี้เขาเข้าใจว่าเป็นธรรมดานะแต่ในยุคพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าใจอย่างเรา ยุคพทะเจ้าไม่เคยที่ใครจะมานั่งมาทำความเข้าใจว่าทำไมชีวิตต้องแก่ทำไมชีวิตต้องเจ็บทำไมชีวิตต้องตายหรือความแก่เจ็บตายนั้นคืออะไรเขาไม่ได้มีความสนใจที่จะมาศึกษาเรื่องความแก่เจ็บตายแต่สนใจกันว่ามีอะไรบ้างนะจะทำให้ไม่แก่ มีอะไรบ้างนะจะทำให้ไม่เจ็บอะไรบ้างจะทำให้ไม่ตายทำไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่เจ็บทำไงจะไม่ตายมีอะไรทำให้เป็นอมตะคนในยุคนั้นมีความต้องการจะหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่แก่เจ็บตายกันอย่างจริงๆหาจริงๆคําคำว่าหาจริงๆเพราะว่าเชื่อจริงๆว่าน่าจะต้องมีนะเชื่อจริงๆ คนสองพันกว่าปีเชื่อจริงๆเพราะายุคเราเนี่ยยังไงเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีจริงๆแต่คนสอง0พันกว่าปีเชื่อจริงๆทรมานตนเอาตายกันเลยเพราะเชื่อว่าเมื่อกระทำไปถึงจุดหนึ่งบุคคลนั้นน่าจะเจอสิ่งที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นอมตะได้ดังนั้นในสมัยนั้นเขาก็จะหาอมตะกันหาสิ่งที่ทาให้ตัวเอง กลายเป็นอมตะแล้วหาจริงๆเพราะเชื่อจริงๆช่วงเวลาตลอดเวลายาวนาน6ปีของพระุทธเจ้าเนี่ยท่านทิ้งวังทิ้งการเป็นอยู่อย่างคารวะมาเป็นผู้สแสวงหาพรหมจรรย์ทิ้งความสุขสบายต่างๆเพราะมีความเชื่อเหมือนเช่นคนยุคสมัยนั้นเหมือนกันว่ามันก็น่าจะมีนะอะไรทําให้ไม่แก่เจ็บตาย ยิ่งเป็นคนในทํานายด้วยพอเกิดมาตั้งแต่เล็กแล้วเนี่ยได้รับการพยากรณ์ว่าพระองค์เป็นบุคคลผู้มากด้วยบุญญาธิการถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่พึงประสงค์เลยได้ชื่อว่าสิทธัตถะพรามมหมณ์ดวโหมเฮงพรธเจ้าแล้วก็ตั้งชื่อว่าสิทธัตถะหมายถึงผู้จะสําเร็จทุกสิ่งที่พึงประสงค์ถ้าหากจะเป็นคารวะเนี่ย ก็จะประสบความสำเร็จเป็นได้ถึงจั ก, กรพรรดิผู้กษัตริย์คือกษัตริย์ในหมู่กษัตริย์หรือถ้าจะบวชทิ้งเพศกราวาสก็จะค้นพบสิ่งสูงสุดในฐานะของการบวชที่จะพบได้เน้นคือมีข้อทานายพยากรณ์แล้วจกักพามทั้งอาณาจักรที่เก่งกล้าสามารถ เมื่อพระองค์รู้ความมาย่อมได้รู้ว่าพระองค์ก็เป็นคนในทํานายเหมือนกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้มั่นใจว่าน่าจะบรรลุความสาเร็จด้วยจึงมีความคิดที่จะเลือกทางคือหาสิ่งที่ทำให้เป็นอมตะซะคือถ้าคนเราหาความมั่งมีพอได้มาแล้วตายเนี่ยมันก็เหมือนความว่างเปล่า หาความมั่งคั่งบ็ได้มาแล้วป่วยขึ้มานอนดูทรัพย์สมบัติที่ได้มันก็ไม่มีการสายแล้วความเจ็บมาได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะมาตอนไหนก็ไม่รู้เจ็บมากเจ็บน้อยก็ไม่รู้มาได้ตลอดเวลาความตายมาตอนไหนก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะตายซะก็ไม่รู้หรือชั่วโมงหน้าก็ไม่รู้มาจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้คำว่าไม่รู้ว่ามาได้เมื่อไหร่นี่น่ากลัว แล้วถ้ามาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นต้องสูญเสียต้องพัดพร้าถ้ามาเพราะตัวเองยังไม่ได้พร้อมเลยนี่ก็อย่างหนึง่งกับขนขวายมาได้มากมายแล้วต้องตายอีกถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรพอนั่งคิดเรื่องความตา ย, ยไม่อยากทำอะไรเลยอยากจะทำก่อนก่อนการทำทุกสิ่งคือทำให้ตัวเองไม่ตายให้ได้ก่อนถ้าไม่ตายได้แล้วเนี่ย การจะหาอะไรมามีอะไรมามันก็จะไม่ต้องพัดพลาดแต่ถ้าตายได้เนี่ยเราไม่รู้จะตายเมื่ อ, อไร่จะตายเวลาไหนแล้วตายจากอะไรเนี่ยมันทําให้กังวลมันเห็นเลยว่ายังไงก็ต้องทิ้งแน่ๆก็ไม่อยากจะได้อะไรเหมือนกับว้างปล่าที่ไปขนควายพระเจ้าท่านก็เลยเลือกที่จะตามหาสิ่งที่ทําให้เป็นอมตะ ไม่ได้อยากดับความรู้สึกทุกข์ใจนะอยากหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะตลอด6ปีเนี่ยท่านคิดแต่อย่างเดียวว่าอะไรนะทำให้ไม่แก่เจ็บตายไม่ได้อยากรู้เรื่องความแก่เจ็บตายความแก่เจ็บตายคือทุกข์นะคือทุกข์ของคนคือความกังวลของคนคือภัยร้ายของมนุษย์ท่านจึงเรียกมันว่าทุกข์ ความแก่คือทุกความเจ็บคือทุกความตายคือทุกคือทุกนี้คือทุกต่อมาเมื่ อ, พ, อ<ม>พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ย<ม>การตรัสรู้ของพระเจ้าเกิดจากพระองค์ได้ทําการกําหนดเพื่อให้เกิดความรอบรู้ต่อเรื่องของทุกนี่แหละรอบรู้เรื่องทุกคําว่ารอบรู้เรื่องทุกคือรอบรู้เรื่องความแก่เจ็บตา ย, ยาดูสิคำว่าทุกขสัตว์คือ ความรู้เรื่องความแก่เจ็บตายด้วยความที่ความแก่เจ็บตายเนี่ยเราเนี่ยรู้กันหมดแล้ว่าคือคืออะไรนั้นเราไม่มาสนใจที่จะมาศึกษาเรื่องแก่เจ็บตายหรอกแต่ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแก่เจ็บตายเขาไม่รู้เรื่องทุก์คำว่าทุกนี้ที่นี้คือความแก่เจ็บตาย คำว่าพ้นทุกของคนยุคนั้นคือพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเขาเรียกพ้นทุกขพระเจ้าไม่เคยอยากรู้เรื่องแก่เจ็บตายเลยไม่อยากรู้เรื่องเรื่องสิ่งนี้แต่เมื่อสแสวงหาโดยรอบแล้วเนี่ยไม่เจออะไรที่ทําให้พระองค์เป็นอมตะได้ทําให้พระองค์หันมาสงสัยว่าเจ้าชีวิตเนี่ย เจ้าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยคืออะไรทำไมชีวิตถึงต้องแก่เจ็บตายทำไมคนเราเกิดมาถึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือกำลังสงสัยเรื่องทุกข์นะนี่เกิดกำลังสงสัยเรื่องทุกขนะ์แลแต่เดินไม่เคยสงสัยเรื่องทุกข์เคยแต่จะหาอะไรนะจะทำให้ฉันพ้นทุกข์ อะไรนะจะทำให้ไม่แก่เจ็บตายแต่ไม่เคยมานั่งสงสัยเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่เคยสงสัยไม่เคยคิดว่าจะต้องมานั่งรู้ว่าทำไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บทำไมต้องตายเนี่ยนี่คือธรรมชาติของคนแต่พอจนขนทางแล้วเนี่ยท่านเลยยกกลับมาสงสัยว่าทำไมชีวิตต้องแก่เจ็บตายเลยมาสงสัยเจ้าความทุกนี้เอง กอสงสัยก็ต้องหาคำตอบว่าชีวิตของคนที่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเพราะอะไรอยากหาคำตอบเรื่องความแก่เจ็บตายที่มีกับชีวิตก็เลยต้องหันมาศึกษาค้นคว้าเนื้อตัวชีวิตของพระองค์เองว่าชีวิตนี้มันเป็นอะไรมันคืออะไรทำไมทุกชีวิตที่เกิดมาถึงแก่ได้เจ็บได้ตาย จึงเกิดการค้นคว้าเพื่อให้รู้จักชีวิตของตัวพระองค์การค้นคว้าเรื่องชีวิตของพระเจ้าก็เลยเกิดการกระาวธรรมวิปัสสนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้แจ้งชีวิตของท่านว่าคืออะไรให้ได้จะได้คลายข้อสงสัยเรื่องความแก่เจ็บตายจริงจริงสงสัยเรื่องแก่เจ็บตายนี่แหละ อยากได้คําตอบว่าทาไมนะชีวิตถึงต้องแก่เจ็บตายถ้าจะได้คําตอบต้องมาศึกษาหาคําตอบด้วยการเรียนรู้ที่เนื้อตัวชีวิตสําหรับจะตอบคําถามเรื่องความแก่เจ็บตายที่ตัวเองสงสัยได้พอมาศึกษาชีวิตการกระทําโดยพลังที่สมบูรณ์ในระดับพระพุทธองค์เนี่ย ถึงพร้อมด้วยจิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่ถึงพร้อมด้วยสมาธิที่ดีถึงพร้อมโดยอุปนิสัยทางปัญญาบารมีที่มากพอเนี่ยทำให้เกิดกระบวนการการค้นคว้าเรื่องราวของเนื้อตัวชีวิตการค้นคว้าชีวิตทำพระเจ้าเนี่ยเมื่ออยากจะรู้แจ้งเข้าไปจริงๆก็จะต้องแบ่งชีวิตออกมาเป็น5ส่วน และศึกษาไปทีละส่วนและรู้แจ้งไปทีละส่วนรู้แจ้งรูปต่อมาก็รู้แจ้งเวทนารู้แจ้งจิตรู้แจ้งสัญญาสังขารจนรู้แจ้งวิญญาณตัวสุดท้ายคําว่ารู้แจ้งก็หมายถึงเกิดความรอบรู้ในระดับที่หมดความสงสัยได้สําเร็จนี่คือรู้แจ้งการรู้แจ้งขันห้าอันนี้เนี่ย ทำให้พระองค์ได้พบคําตอบที่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยการศึกษาขันทั้งห้าเมื่อศึกษามาโดยถูกทางแล้วรู้แจ้งอย่างบริสุทธิ์หมดจดคําตอบที่ได้จากการศึกษาดันพบว่าขันทั้งห้าไม่ใช่ของพระองค์ไม่ได้มีตัวพระองค์อยู่ในขันทั้งห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยล้วนเป็นสิ่งปรุงแตง่งล้วนเป็นสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับลงมีธรรมชาติที่เกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดามีธรรมชาติที่ไม่มีสิทธิในการครอบครองเป็นเจ้าของและไม่มีสิทธิ์ในการบังคับควบคุมมองเห็นว่าขันธ์ทั้ง5้าเนี่ยเป็นระบบธรรมชาติล้วนๆที่มีเหตุปัจจัยทําให้เกิด ไม่ใช่มีตัวใครทำให้เกิดและต้องดับไปตามเหตุตามปัจจัยการศึกษาชีวิตทำให้ค้นพบความรู้เรื่องที่ไม่เคยคิดมาก่อนคือรู้เรื่องความไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำให้เข้าใจถึงกฎธรรมชาติที่ไม่เคยคิดว่าอยากจะรู้เรื่องกฎธรรมชาติแต่พอรู้แจ้งธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมนามธรรมเนี่ยหรือรู้เรื่องขันห้าเนี่ย ทำให้รู้แจ้งไปถึงกฎธรรมชาติเลยที่รู้ว่าในธรรมชาตินี้สิ่งใดทั้งหลายที่เกิดด้วยมีเหตุปัจจัยทําให้เกิดและจะดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครทําให้เกิดและไม่มีใครทําให้ดับแต่เกิดเพราะมีเหตุทําให้เกิดดับก็ดับไปตามเหตุปัจจัยนี่เข้าใจกฎแล้วก็เข้าใจกฎอีกหนึ่งข้อว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดามีธรรมดาที่เกิดแล้วต้องดับ อะไรเกิดมีธรรมดาเลยธรรมดาของทุกสิ่งที่เกิดคือต้องดับนี่คือธรรมดาของทุกสิ่งที่เกิดต้องดับการเข้าใจกัน5ดันทําให้เกิดการเข้าถึงความรู้เรื่องกฎธรรมชาติความรู้เรื่องไม่มีเราพอได้ความรู้เรื่องนี้เข้าไปเลยได้คําตอบเลยว่าทําไมชีวิตเกิดมาถึงต้องแก่เจ็บตาย รู้แล้วว่าความแก่เกิดขึ้นเพราะระบบขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติว่าเกิดแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาและรู้ว่าขันทั้งห้าเนี่ยบุคคลทั้งหลายไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับได้เพราะไม่ใช่ของของใครจึงบังคับไม่ได้เลยไม่มีใครบังคับรูปว่ารูปเธอเป็นอย่างนี้นะเธออย่าดับไปนะเนี่ยบังคับไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของใคร และการบังคับไม่ได้เลยเนี่ยขันทั้ง5้าที่เกิดจะไปทางเดียวกันหมดคือเกิดแล้วจะดับลงในที่สุดมองชีวิตทั้งระบบพบว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ บ, บังคับได้เพราะไม่มีใครมีสิทธิ์เป็นเจ้าของและขันทั้งห้าก็ไม่ใช่ของของใครและก็ไม่ได้มีใครอยู่ในขันทั้ง5้านี้ดันเป็นความรู้ที่เกิดจากการอยากรู้เรื่อง ความแก่เจ็บตายอยากรู้เรื่องแก่เจ็บตายคืออยากรู้เรื่องทุกข์นั่นเองเพราะคําว่าทุกข์ของคนในสมัยนั้นคือเรื่องความแก่เจ็บตายอยากอย่างเดียวคืออยากจะไม่แก่เจ็บตายแต่ไม่มีใครอยากรู้เรื่องความแก่เจ็บตายว่าจริงๆแล้วแก่เจ็บตายน่นคืออะไรทำไมชีวิตทุกคนต้องแก่เจ็บตายคนสองพันกว่าปีไม่รู้เรื่องนี้ พุทธเจ้าพออยากรู้จึงไปศึกษาคัน5พอศึกษาคัณาจึงเข้าใจว่าชีวิตหรือสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะต้องดับไปนี่คือกฎอะไรเกิดสิ่งนั้นต้องดับพอเข้าใจอย่างนี้เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้พระองค์พบคำตอบว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วและไม่มีสิทธิ์ไปครอบครองบังคับเนี่ยปลายทางของมันคือต้องดับอยู่ดี เป็นธรรมดาเท่ากับว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้สิ่งที่เกิดไม่ดับมันย่อมไม่มีการศึกษาขันห้าจนระดับรู้แจ้งรู้แจ้งคือไม่สงสัยในคำตอบกว่าจะไม่สงสัยในคำตอบเรื่องขันนังห้เนี่ยท่านดูละเอียดดูจนมั่นใจว่าคำตอบนี้เป็นที่แน่นอนได้แล้วจึงวางใจเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง ตรงเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือหมดสงสัยตรงหมดสงสัยก็คือรู้แจ้งต้องรู้แจ้งจึงหมดสงสัยเนี่ยพระเจ้าเนี่ยรู้แจ้งรูปรู้แจ้งเวทนาสัญญาสังขารปัญญาพอรู้แจ้งครบเนี่ยหมดความสงสัยในขันห้าดันพบคําตอบว่าไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนหรอกเขาเห็นด้วยปัญญาแล้วคาตอบอันนี้ มันช่วยตอบคำถามได้ว่าทำไมชีวิตถึงต้องแก่เจ็บตายและรู้ได้คำตอบว่าความแก่เจ็บตายคืออะไรคือธรรมดาของทุกชีวิตที่เกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่คือคำตอบและได้พบอีกหนึ่งคำตอบขึ้นมานะที่ตรงนั้นคือรู้ว่าอมตะหรืออะไรก็ตามที่จะมาทำให้ขันธ์ทั้ง5ที่ไม่ใช่ของของใครไม่ดับ ไม่มีเสียเวลาเปล่าที่จะไปหาสิ่งต่างๆหรือวิธีการต่างๆมาทำให้สิ่งที่เกิดแล้วให้มันไม่ดับไปไม่มีถ้ามัวจะไปหาสิ่งที่จะมาจัดการสิ่งที่เกิดไม่ให้ดับลงเท่ากับคนนั้นกาลังขืนกฎธรรมชาติกำลังทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และจะเสียเวลาเปล่าหรือถ้าจะหาสิ่งที่จะทาให้ตัวเองเนี่ย ผู้เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็กำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงการสแสวงหาก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่าคือหาสิ่งที่ไม่มีเมื่อการหาสิ่งที่ไม่มีก็เท่ากับหาแล้วยังไงก็ไม่ได้วันคืนที่ทุ่มเทด้วยพลังความภาคเพียรหาสิ่งที่ไม่มียอมผ่านวันคืนหมดเปลืองชีวิตไป การไม่ได้อะไรดังที่ตนประสบเพราะมันไม่มีดังนั้นการที่จะแสดงธรรมโปรดคนยุคโบราณเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเนยคือพระเจ้าต้องพูดเรื่องทุกข์พูดเรื่องทุกข์ของพระองค์ในที่นี้คือทุกข์อริยสัจก็คือพูดถึงเรื่องความแก่เจ็บอายให้คนยุคนั้นเข้าใจในคนยุคนั้นอาณาจักรทั้งปวงในสมัยนั้นเนี่ย นักบวชมากมายเขาหยหาแข่งขันกระตือรือร้นที่จะเป็นคนแรกที่ค้นพบสิ่งที่ตัวเองกลายเป็นอมตะให้ได้แล้วคนชาวเมืองทั้งหลายก็เฝ้ารอว่าจะมีนักบวชคนไหนมีพระอรหันต์ขั้นไหนผ่านมาสู่เมืองบ้างไหมเผื่อว่าคนนั้นจะพบสิ่งที่ทำให้เป็นอมตะได้แล้วคนยุคนั้นเชื่อจริง ว่าอมตะมีอยู่จริงและก็เฝ้ารอจริงๆว่าใครจะเป็นคนถึงคนแรกเฝ้ารอคนที่จะทำให้ตนพ้นไปจากความแก่เจ็บตายได้ก็เฝ้ารอจริงๆพอเชื่อจริงๆและเพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระ เ, เจ้าพอตรัสรู้ดีแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์เนี่ยทำให้ท่านได้คำตอบแล้วว่า ความแก่เจ็บตายเนี่ยคืออะไรทําไมชีวิตของทุกคนผู้เกิดมาจึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่อานิสงส์ของการรู้เรื่องความแก่เจ็บตายหรือรู้เรื่องทุกข์นะความแก่เจ็บตายคือทุกข์คือภยัยคือข้อกังวลของคนยุคนั้นการที่จะรู้เรื่องทุกข์หรือความแก่เจ็บตายเนี่ยทาให้พระเจ้าต้องหาคําตอบ จากการค้นคว้าขันทั้งห้าถ้าท่านไม่ค้นคว้าขันห้าท่านจะรู้จากเรื่องความแก่เจ็บตายได้ไั้มได้ไหมไม่ได้การรู้คำตอบว่าความแก่เจ็บตายคือธรรมดาของชีวิตเนี่ยรู้ได้เพราะท่านมาค้นคว้าขันทั้งห้าถ้าไม่รู้แจ้งขันทั้งห้าได้สำเร็จจะรู้เรื่องความไม่มีเราได้ไั้มไม่ได้ ถ้าไม่รู้แจ้งขันห้าได้ถูกทางจะรู้แจ้งกฎธรรมชาติได้ไั้มว่าสิ่งใดที่เกิดล้วนดับไปเป็นธรรมดารูได้ไั้มไม่ได้เท่ากับการอยากรู้เรื่องทุกเนี่ยแค่อยากรู้เรื่องความแก่เจ็บตายเนี่ยทา่านพระเจ้าเนี่ยต้องมาคลำหาจากการศึกษาขันทั้งห้าพอศึกษาขันทั้งห้าแล้วการรู้แจ้งขันทั้งห้าดันทำให้พระองค์ได้พบคาตอบ คำตอบว่าสิ่งที่ทําให้เป็นอมะตะไม่มีอยู่จริงไปเสียเวลาหาก็จะเป็นความว่างเปล่าเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดะอันนี้พบคําตอบนะและพบคําตอบว่าไม่มีสัตว์บุคคลโตตนเราเขาไม่มีพระองค์อยู่ในขันทั้งห้าและไม่มีตัวพระองค์อยู่นอกขันทังหเมื่อตัวเองไม่มีคนอื่นก็ต้องไม่มี เท่ากับมองเห็นว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยในธรรมชาติทั้งปวงเนี่ยมีแต่ระบบธรรมชาติล้วนเป็นแต่ธาตุล้วนรูปก็เป็นเป็นธรรมชาติล้วนนามก็เป็นธรรมชาติล้วนเป็นธาตุที่ทรงอยู่ตามธรรมชาติล้วนนี่คือความเข้าใจด้วยปัญญาความเข้าใจสิ่งนี้สำหรับพระพุทธองค์เนี่ยมันมีความรู้สึก ที่นำพาความเบื่อหน่ายต่อชีวิตและโลกได้เลยนะพระพุทธองค์เนี่ยทุ่มเทมากลงทุนสูงมากลงทุนทิ้งวังลงทุนที่จะทิ้งลูกทิ้งคนที่รักและทิ้งความเป็นอยู่อันสบายการลงทุนเนี่ยมีความตั้งความหวังสูงนั้นหมายถึง ทุ่มเทด้วยชีวิตเหมือนเหมือนการว่าแทบจะเล็กเดิมพันกันเลยเอาชีวิตมาทุ่มเทเลยถ้ารลงทุนสูงขนาดอย่างนั้นเนี่ยท่าพระเจ้าเอาจริงไหมเอาจริงมากๆรักษาศีลก็รักษาอย่างจริงจังทําจิตให้สงบก็ก็ทําอย่างจริงจังจะละวางจะทิ้งก็ทิ้งอย่างจริงจัง ตลอดเวลา6ปีทุ่มเทยอย่างจริงจังถึงทรมานตนก็เอาอย่างจริงจังจนแทบจะตายเลยเนะี่ยแต่ในวันท้ายที่สุดคำตอบที่ได้พบว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะไม่มีไม่มีใครเกิดมาแล้วคนนั้นต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีพอพบว่าไม่มีและไม่มีใครบังคับขันห้าได้ เพราะขันห้าไม่ใช่ของของใครและเมื่อบังคับไม่ได้ขันทั้งห้าพอเกิดมันจะไปทางเดียวกันหมดคือดับเกิดแล้วต้องดับนี่คือธรรมดาของสิ่งที่เกิดพอเข้าใจอย่างนี้ย่อมรู้สึกเบื่อหน่ายแม้ในรูปที่บังคับไม่ได้มันคงไม่ได้ไม่ใช่ของของตนเบื่อหน่ายแม้เวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาสังขารวิญญา เบื่อหน่ายแม้ในรูปเสียงกลิ่นรสปัตภธรรมลมเบื่อหน่ายสุขทั้งหลายในโลกทั้งหยาบปานีละเอียดที่ไม่มีข้อมั่นคงสิ่งเหล่านั้นไม่มั่นคงคือเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปอยู่กับตัวเองไม่ได้ตลอดไม่มีอะไรที่จะครอบครองแล้วจะอยู่กับตนตลอดมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วเสื่อมสิ้นไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องเสื่อมสิ้นไปสิ่งใดมีสิ่งนั้นต้องเสือสสสอเส่อมสิ้นไป เจอแต่สิ่งที่เกิดแล้วเสื่อมสิ้นทั้งนั้นหาสิ่งที่แบบใช่ได้แล้วจบอยู่กับเราตลอดไปหาไม่เจอพอหาไม่เจอเลยเบื่อไปหมดกลายเป็นพอไม่ได้แล้วเบื่อเบื่อขันห้าพอไม่อาจเป็นเจ้าของบังคับไม่ได้เกิดดับตลอดเวลาเบื่อขันห้าที่ที่สุดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีเบื่อสุขทุกข์ในโลกทั้งหยาบประณีตละเอียดเพราะสิ่งเหล่านั้นก็เกิดดับเหมือนกัน ไม่มั่นคงขนไควได้มาก็เสื่อมสิ้นไม่ไม่สามารถครอบครองอะไรได้หนึ่งครอบครองขันห้าก็ไม่ได้ครอบครองสิ่งภายนอกแท้จริงก็ไม่ได้มองในมุมบังคับก็บังคับอะไรแท้จริงไม่ได้เลยด้วยทั้งขันตัวเองทั้งสิ่งภายนอกบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างหาสิ่งมั่นคงก็ไม่มีเป็นเจ้าของอะไรจริงๆก็ไม่ได้มองมุมนี้เข้าไปด้วยจิตที่มีข้อ บริสุทธิ์สงบภาวะอย่างนั้นทำให้พระองค์เกิดความเบื่อทุกสิ่งอย่างแท้จริงเข้าไปโดยไม่ตั้งใจเลยคาว่าเบื่อเนี่ยไม่ได้คิดจะเบื่อแต่พอเจออย่างนี้เบื่อเลยเหมือนโยมตั้งเป้ามาดีเลยลงทุนทุ่มเทด้วยชีวิตมาเลยพอท้ายที่สุดคำตอบที่ได้ก็บอกว่าสิ่งที่เธอต้องการไม่มีเบื่อไ <c oughs> หน่าเบื่อนะ หมดหวังเลยนะพอเบื่อแล้วดันทำให้จิตนั้นเกิดฐานะที่พอเบื่อแล้วพระองค์ก็หยุดเลยเมือนคนเราอะ่ะเบื่อจะฟังจะหยุดฟังเบื่อดูก็หลับตาแล้วไม่ดูเบื่อที่จะกินก็จะหยุดกินไม่กินเบื่อที่จะทำก็ไม่ทำแล้วหยุดทาพอเบื่อทุกสิ่งจิตก็เลยทิ้งทุกอย่างแล้วหยุดตัวเองการหยุดที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ พอเบื่อแล้วจิตก็จะทิ้งในขณะที่ทิ้งคือณที่ตรงนั้นน่ยจิตคลายความต้องการคลายความต้องการไม่ต้องการจะได้จะเอาอะไรไม่ต้องการจะมีจะเป็นไม่ต้องการจะดูจะฟังจะรู้จะทราบบรรยายเป็นณจุดนั้นเนี่ยเบื่อไปหมดเหมือนคนเราเคยไหมเคยเบื่อไปหมดแล้วไม่อยากทําอะไรเลยเคยไหมมีไหมเบือ่อแต่เราอยากจะนอนนิ่งๆเบือ่อมีไหมไอ้นั่นแค่เ บ, บื่อแล้วอยากนอนนิ่งๆ พระเจ้าเบื่อหมดจนจิตมันหยุดไปเลยในคำว่าหยุดที่เต็มที่กิริยาของจิตมันหยุดเต็มที่แล้วเนี่ยหนะที่ตรงนั้นทําให้พระองค์รู้ถึงฐานะอันหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอจิตที่หยุดเต็มที่จึงระ ง, งับกิริยาตัวมันเองทั้งหมดกิริยาที่ระ ง, งับหมดจึงทำไม่เจตนาของจิตนั้นขาดไปเจตนาคือความตั้งใจมันขาด ขาดสขาดไปสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันดับตัวลงไปไม่ก่อกิริยาขึ้นมาในภายในแต่วิญญาณรู้ยังอยู่โดยรู้ยังไม่ดับพอความดับนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยทำให้พระ อ, อ, องค์เนี่ยได้เจอสภาพอันใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอและไม่เคยรู้ว่ามันจะมีอยู่จริงนี่คือในที่จิตมันหยุดและงับ ดับเต็มที่ของมันพอตรวจตราความดับอันนี้ครั้งแรกพระ อ, องค์ตรวจตาขันห้าจนรู้แจ้งกันห้าแล้วจนเบื่อเนี่ยพอเบื่อแล้วท่านก็ทิ้งพอทิ้งแล้วจิต ด, ดันถึงจุดที่ระงับสังขารจนดับพอดับแล้วมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะเจอและไม่รู้พอไม่รู้ก็ต้องอยากรู้ว่าคืออะไรพออยากรู้ก็เลยเกิดการตรวจตราสิ่งที่ตนรู้ถึง ความดับระงับตรงนั้นการตรวจตราทาให้รู้ว่านี้คืออะไรการตรวจตราความดับทำให้เจ้าพบว่าถ้าหากใครก็ตามทาให้จิตนั้นรู้ถึงฐานะของความดับระงับอย่างนี้ได้สำเร็จและไม่กลับกําเริบจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงเมื่อกายแตกดับไปอีกเมื่อสิ้นลมนและอารมณ์ชนิดนี้ไม่สลายไปในลมสุดท้าย หรือในการจากไปขันนี้จะดับสนิทไม่มีส่วนเลยการเกิดอีกต่อไปจะไม่มีถ้าใครดํารงภาวะนี้ได้โดยที่ไม่กลับกำเริบจนวันตายสภาพที่จิตเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นสภาพที่ขันทั้งหลายดับสนิทและการเกิดอีกต่อไปจะไม่มีอันนี้คือความเข้าใจความดับที่พระองค์ถึงอยู่ พอพบว่าจุดเนี้ทำให้ไม่เกิดได้พระองค์ก็เลยมีมุมที่อยากจะตามหาต่อไปว่าถ้าดับอย่างนี้คือไม่เกิดการเกิดจะไม่มีแล้วเหตุอะไรที่สัตว์ทั้งหลายยังเกิดตายกันได้ละ่ะแล้วสัตว์ที่เกิดเพราะอะไรถึงเกิดอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์ผู้เกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อตายลงยังจะเกิดกันได้อีอะไร อเหตุอะไรคือปัจจัยทาให้การตายมาถึงการเกิดยังมีต่อพระเจ้าก็เมื่อสงสัยก็หาคำตอบพอหาคาตอบก็ได้พบคำตอบแล้วก็อุทานเลยเราเที่ยวมาในวัตตะสงสารเป็นเวลานานเพิ่งรู้ว่าตัณหานี่เองเป็นนายช่างก่อเรือนแห่งกองทุกการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป ตันหาบัดนี้เรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างคงเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนของเจ้าเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงถึงแล้วซึ่งสภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาใะ น, นีคือพระตวดก็เจอเหตุว่าเหตุที่ทาให้สัตว์ยังเกิดก็เพราะตัหานี่เอง เป็นนายช่างก่อเรือนอันนี้คือค้นพบเรื่องเหตุเกิดชาตินะหรือเหตุเกิดทุกข์ต่อมาพระพุทธองค์<ม>พอตรวจตรายอย่างนี้ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบเป้าหมายที่ได้ทรงสแสวงหามาโดยตลอดคือต้องการจะพ้นความแก่เจ็บตายอยาก หาสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะครั้งแรกหาสิ่งที่ทาให้ตัวเองเป็นอมตะแต่พอรู้จักขันห้าเข้าไปดันพบว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะไม่มีแต่พระองค์พบว่าอมตะธรรมนั้นมีอยู่อมตะธรรมกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนอมตะธรรมนั้นมีอยู่เมื่อใครถึงฐานะชนิดนั้นแล้ว ก็จะพ้นความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายกันอีกท่านเรียกอันนั้นว่าอ ม, มะตะธรรมกับหาสิ่งที่ทาให้ตัวเองกลายเป็นอมตะเหมือนกันหมไอเหมือนครั้งแรกพระเจ้าหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นอ ม, มะตมอไไมมอแ ะ, ตมมะตแต่มันไม่มีเมื่อค้นคว้าอย่างนี้แล้วตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพบว่าก็ยังเหลืออีกมุมหนึ่งนะ ถ้าหากใครต้องการที่จะพ้นทุกคือพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายจริงๆใครเกิดมาแล้วเนี่ยยังไงก็หนีความแก่เจ็บตายไม่พ้นเพราะไม่มีอะไรจะมาหักห้ามหยุดยัง้งสิ่งที่เกิดไม่ให้ดับได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับแต่ถ้ายังอยากจะไม่แก่เจ็บตายยังเหลือประตูเดียวคือต้องจัดการที่เหตุต้องละที่เหตุไม่ใช่ละที่ตัว เหตุคือต้องไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็จะไม่แก่เจ็บตายอันนี้คือประตูที่พระองค์ยังเจอช่องอยู่เพราะครั้งแรกเจอทางตันศึกษาขันห้าพบว่าสิ่งที่ทำไม่เป็นอมตะไม่มีไม่มีนิตันเลยยี้ยงตันแล้วเจอทางตันแล้วจบไม่ต้องไปหาไม่มีพอเจอทางตันเลยเบื่อ พอเบื่อแล้วได้ไปเจอสภาพอันหนึ่งพอถึงฐานะชนิดนั้นแล้วตรวจราจิตที่มีสภาพอย่างนั้นและพบว่าจิตอย่างเนี้ยมันจะดำรงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายการเกิดอีกต่อไปไม่มีนี่คือการตรวจและพบคำตอบและพบว่าหากต้องการจะเป็นอมตะจริงๆก็ต้องไม่เกิด ถ้าจะไม่เกิดก็ต้องทำให้จิตนั้นอยู่ในแบบที่พระองค์กำลังเป็นอยู่ถึงในจุดที่พระองค์กำลังรู้ถึงต้องเป็นเช่นที่พระองค์กำลังเป็นเพื่อให้ขันนี้จะดำ ร, รองอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายการเกิดจะไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีแก่เจ็บตายอันนี้คือข้อที่คน้นพบต่อมาพระองค์ก็สงสัยต่อว่าพระองค์มาถึงจุดที่ทาให้จิต แสดงความระ ง, งับสังขารหรือแสดงความหยุดกิริยาตัวเองซึ่งเป็นความดับดับรอบให้ปรากฏอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะผ่านกระบวนการอย่างไรจิตถึงเป็นอย่างนี้เพื่อเจ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติมาก่อนและไม่คิดด้วยว่าจิตจะสิ้นตัณหาไม่เคยรู้ไม่เคยคิดแต่พอถึงแล้ว แล้วตรวจตราแล้วว่าอันนี้คือจุดที่ตนกําลังตามหาอยู่จุดเดียวที่พ้นความแก่เจ็บตายได้พอตรวจราว่าอันนี้คือพ้นได้แล้วแน่นอนอันนี้ใช่แน่ถ้าใครพ้นแก่เจ็บตายต้องวิธีเดียวกับพระองค์วิธีเดียวเท่านั้นคือต้องไม่เกิดวิธีอื่นไม่มีและจะไม่เกิดก็ต้องได้จิตชนิดที่พระองค์กําลังเป็นอยู่คือกิริยาที่ขันระงับดับตัวลงไปก็เรียก จุดที่จิตระงับสังขารพอตรวจราว่าจุดอย่างนั้นเป็นจุดที่ใช่พระองค์ก็เลยมองว่าพระองค์มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพอมองตัวเองว่าผ่านมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็ตรวจราวิธีปฏิบัติของตนจนถึงจุดที่จิตนั้นสิ้นตัณหาแล้วระ ง, งับกิริยาระ ง, งับสังขารระ ง, งับการปรุงจิตดับเลยหยุดปรุงก็ค้นพบ มักอันประกอบด้วยอง์แปดอันนี้คือการค้นพบค้นพบเพื่ออะไรเพื่อคลายข้อสงสัยว่าตัวเองถึงนี้ได้อย่างไรพอมาถึงโดยไม่รู้ตัวและไม่ได้คิดว่าจะถึงพอถึงแล้วเลยต้องตรวจพอตรวจจึงเห็นเรื่องราวการปฏิบัติของตัวเองที่ผ่านมาว่าผ่านกระบวนการอย่างไรอันนี้คือค้นพบมักอีกตัวหนึ่งต่อมาพระพุทธเจ้า เอาสิ่งที่พระองค์รู้ถึงมาสอนคนพอมาสอนคนถ้าสําหรับคนยุคสมัยโบราณเนี่ยเขากําลังสแสวงหาสิ่งที่ทําให้ตัวเองเป็นอมตะด้วยกันทั้งนั้นยุคนั้นเขาไม่รู้เรื่องแก่เจ็บตายเขาไม่รู้เฝ้ารอแต่ว่าอะไรจะทําให้เราไม่แก่เจ็บตายแล้วคนยุคนั้นเขาทุกข์กังวล เรื่องความแก่ทุกข์กังวลเรื่องความเจ็บทุกข์กังวลเรื่องความตายนั้นความแก่เจ็บตายคือทุกคือทุกข์คือข้อกังวลคือข้อเฝ้าหวังรอคอยว่าจะมีใครจะพาเขาพ้นไปจากความทุกข์เหล่านี้ได้นี่คือคำว่าทุกขในเวลาพระเจ้าแสดงความรู้เรื่องทุกข์อาลัยสัตว์เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องความแก่เจ็บตายให้คนยุคนั้นฟัง แต่พอมายุคนี้จะต้องมานั่งสอนเรื่องความแก่เจ็บตายโยมนโย ม, ยมไม่อยากฟังโยมรู้จักแล้วแต่คนพุทธกาลเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของชีวิตเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ไม่แก่เจ็บตายมันไม่มีหรอกนะเขาไม่รู้แต่คนยุคนี้รู้และเพราะไม่รู้เรื่องนี้คนเป็นอันมากจึงไปสแสวงหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะ ซึ่งมันไม่มีอยู่จริงพอพระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบสิ่ง น, นี้เข้าไปเนี่ยย่อมมองเห็นคนมากมายกาลังเสียเวลาเปล่าไหมเสียเวลาเปล่าบางคนเป็นคนน่าสงสารเลยอะ่ะเอาชีวิตเป็นทรมา น, นอยยางอุกฤษเพราะอยากให้ตัวเองพบความเป็นอมตะซึ่งมีไหมไม่มีน่าสงสารไหม น่าสงสารบางคนต้องกินอยู่กินอุจจาระบ้างบางคนต้องเปือยกายทรมานตนบางคนไปทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยลำบากลาบนเพื่อหวังจะพบสิ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะน่าสงสารดันั้นคนเป็นอันมากเนี่ยอยากพบสิ่งที่ทำให้เป็นอมตะอยากไม่แก่เจ็บตายแต่ไม่รู้เรื่องความแก่เจ็บตายไมไม่รู้เรื่องตืงต้น เพราะไม่เคยคิดว่าต้องศึกษาคิดแต่ว่าจะหาอย่างเดียวหรือว่าอะไรทำให้ไม่แก่เจ็บตายไม่คิดว่าต้องศึกษาเวลาพระเจ้าแสดงธรรมเลยต้องมาแสดงเรื่องทุกข์คำว่าแสดงเรื่องทุกข์อริยสัจก็คือเรื่องความแก่เจ็บตายเพื่อจะบอกให้รู้ว่าท่านทั้งหลายชีวิตของทุกคนเนี่ยต้องแก่เพราะอะไรชีวิตทุกคนต้องรู้นะว่าความแก่คืออะไร ความเจ็บคืออะไรความตายคืออะไรท่านควรต้องรู้ว่าทำไมชีวิตต้องแก่ทำไมชีวิตทุกคนต้องเจ็บทำไมชีวิตต้องตายถ้ารู้จักชีวิตได้ถูกต้องแล้วท่านจะรู้คำตอบว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปงนั้นเมื่อพระองค์จะชี้แจงเรื่องชีวิตให้ฟังที่จะบอกว่าท่านทั้งหลายหากบุคคลต้องการพ้นความแก่เจ็บตายเนี่ยมันต้องรู้ก่อนว่าความแก่เจ็บตายคืออะไร ทำไมชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายท่านก็บอกว่าเหตุที่ชีวิตของแต่ละคนเกิดมาต้องแก่เตายเพราะชีวิตของคนประกอบด้วยขันห้าขันขันแรกคือรูปขันมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะดับไปเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้อธิบายรูป เหตุที่ต้องแก่เจ็บตายเนะี่ยเพราะว่าเวทนาขันนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอแจกแจงขันทั้ง5้าครบคําตอบถ้าเป็นความเข้าใจที่กระจ่างแจ่มแจ้งรู้ถูกต้องตามการอธิบายของพระองค์เนี่ยคนนั้นจะพบได้ไหมว่าขันห้าไม่ใช่ของเราพบได้ไหมพบได้ไม่มีเราในขันห้า เมื่อเข้าใจว่าไม่มีเราในขันท่าขันท่าไม่ใช่ของเราคนนั้นจะเข้าใจได้ไหมว่าไม่มีใครบังคับขันท่าได้ก็เข้าใจแล้วพอเข้าใจขันท่าอย่างนั้นย่อมรู้ได้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่มันมีแต่ระบบธรรมชาติสิ่งใดเกิดล้วนมีเหตุทําให้เกิดสิ่งใดดับก็ดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครสร้างใครทําใครบังคับใครควบคุมเพราะไม่มีสัตว์บุคคลและ เมื่อเข้าใจกันห้าจะพบกฎได้ไหมว่าสิ่งใดเกิดต้องดับเป็นธรรมดาพบไหมพบถ้าเข้าใจต้องพบแล้วเมื่อพบแล้วทีนี้ได้คำตอบเรื่องทุกข์หรื อ, อยังว่าความแก่เจ็บตายคืออะไรทำไมชีวิตต้องแก่เจ็บตายพบไหพบนี่คือรู้เรื่องทุกข์จาเป็นไหมที่ต้องรู้เรื่องความแก่เจ็บตายสำหรับคนพุทธกาลจําเป็นไหมจาเป็นไห จำเป็นเพราะเขาไม่รู้จึงหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจำเป็นกับคนยุคนั้นที่พระเจ้าต้องพูดเรื่องทุกต้องพูดเรื่องทุกเรื่องความแก่เจ็บตายให้คนยุคนั้นรู้ว่าแก่เจ็บตายคืออะไรและการจะรู้เรื่องแก่เจ็บตายได้สำเร็จว่าคืออะไรเนี่ยไม่ศึกษาขันทั้งห้าได้ไหมไม่ได้ การศึกษาขันห้าทำให้ได้รู้เลยว่าชีวิตคืออะไรทำให้รู้เลยว่าชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพอรู้ว่าขันห้านเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วต้องดับเป็นธรรมดาเนี่ยและไม่ใช่ของของใครรู้ได้จริงเนี่ยเท่ากับคนนั้นก็พบด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำให้เป็นอม ต, ตะมีไหมไม่มีสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ เมืเจ้าแสดงแค่นี้จบเนี่ยถือว่าค้างคาไหมคนฟังรู้สึกค้างคางไหมเพราะตามหาแล้วได้คำตอบแค่ว่าชีวิตคืออะไรและพบว่าอมตะไม่มีจบแสดงด้วนๆแค่นี้พอไหมไม่พอเพราะคนเหล่านั้นกำลังรอว่ามีอะไรไม้มที่จะพ้นแก่เจ็บตายแสดงทุกขสัต์ตัวเดียวเนี่ยรู้แค่ว่า อมตะไม่มีและยอมรับจริงว่าอืไม่มีอยู่จริงสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับถ้าไม่รู้ข้อนี้เนี่ยคนเราก็จะมุ่งหาแต่สิ่งทําไม่เป็นอมตะไม่เลิกอย่างเงี้ยอย่างนั้นเสียเวลาเปล่าไหมเสียเวลาเปล่าความรู้เรื่องทุกนี้จำเป็นไหมจำเป็นอย่างยิ่งกับคนพุทธกาลที่รู้ว่าความแก่เจ็บตายคืออะไร และการรู้แจ้งเรื่องความแก่เจ็บตายรู้ไม่ได้เลยถ้าไม่เข้าใจขันทั้งห้าพื่อเจ้าเลยเทศขันห้าพอรู้แจ้งขันห้าเลยลามไปรู้กฎธรรมชาติได้ด้วยว่ากฎคืออะไรนี่คือผลพวงทีนี้พอเทศเรื่องทุกขจบคนฟังเนี่ยคำว่าทุกข์ก็คือเทศเรื่องแก่เจ็บตายก็เรียกเทศเรื่องทุกขสัตย์อยากพ้นทุกข์ก็คืออยากพ้นความแก่เจ็บ แล้วพุทธเจ้าก็แสดงภาวะที่ทำให้คนพ้นแก่เจ็บตายว่ามันก็มีอยู่นะเริ่มพูดแล้วคนที่จะพ้นแก่เจ็บตายได้เนี่ยต้องจัด ก, การที่เหตุก็คือต้องทำให้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจึงไม่แก่เจ็บตายและท่านก็พูดถึงภาวะอันหนึ่งซึ่งเมื่อบุคคลถึงแล้วเนี่ยก็จะพ้นความเกิดและเมื่อพ้นความเกิดก็จะพ้นความแก่เจ็บตายไปด้วย และมีประตูเดียวเท่านั้นสำหรับคนต้องการจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหลือแค่ประตูเดียวเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนอกจากไม่เกิดจึงจะไม่ดับและการที่ไม่เกิดมันก็มีอยู่นะภาวะที่ขันดังห้าเนี่ยจะดำรงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายแล้วทำให้การเกิดนั้นมันสิ้นไปก็มีอยู่พระเจ้าก็เลยแสดงเรื่องความดับ ซึ่งความดับที่พระองค์แสดงท่านบอกชัดว่าอยู่ที่ความสิ้นตัณหาหน้าตาที่สิ้นตัณหาไปแล้วจิตจะดับแบบนี้นะกิิยาจะเป็นอย่างนี้นะจะระ ง, งับอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คืออธิบายความดับให้รู้ว่ามันมีอยู่นะพอถึงตรงนี้แล้วขันจะดำรงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายการเกิดจะไม่มีและจะถึงความดับอย่างนี้ ต้องจัดการหรือสิ่งที่จะต้องทําให้สิ้นไปก็คือตันหานะถ้าต้องการถึงจุดนี้จุดที่จิตจะไม่เกิดจุดนี้อยู่ที่ความสิ้นตันหานะท่านกิจการปฏิบัติของบุคคลเนี่ยต้องทําตันหาให้สิ้นไปนะเมื่อใดสิ้นตันหาได้สําเร็จเมื่อนั้นจิตจะรู้ถึงฐานะที่อยู่ในสภาพที่การเกิดอีกต่อไปจะไม่มี ฉันบอกเอาไว้ถึงแม้ว่าบุคคลต้องการจะไม่แก่เจ็บตา ย, ยพอเกิดมาแล้วต้องตายแน่ๆเนี่ยยังเหลือประตูหนึ่งนะคือไม่เกิดชี้ว่ามีอยู่แล้วเจ้าประตูนั้นมันมีหน้าตาอย่างไรนะสมัยนะั้นพระองค์ก็อธิบายนะหน้าตามันเป็นยังไงและบอกด้วยว่าจุดนี้อยู่ที่ความสิ้นตันหานะสิ้นตันหาคือสิ้นความต้องการ สิ้นคือเหลือไหมตัณหาคือความต้องการสิ้นความต้องการคือเหลือความต้องการไหมคาว่าต้องการก็คือต้องการมีอะไรต้องการเป็นอะไรต้องการได้อะไรต้องการอะไรอะไรเนี่ยคำว่าสิ้นคือไม่เหลือทุกความต้องการไม่เหลือพอไม่เหลือจึงเรียกว่าสิ้นต้องการเป็นอรหันต์เหลือไหยยังเหลือนะต้องการเป็นอรหันต์ยังเหลือ เมื่อสิ้นก็คือไม่เหลือและนิพพานอยู่ที่ความสิ้นตัณหาจุดที่ดับเย็นสนิทหรือพ้นทุกข์จริงๆภาวะที่ดับสนิทแห่งทุกขหรือพ้นทุก์หรือพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายคำว่าพ้นทุกคือพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายเพราะการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ําไปือเกิดทุกคราวแก่เจ็บตายทุกชาติไป พ้นทุกข์ก็คือพ้นแก่เจ็บตายพูดถึงเรื่องทุกข์ก็คือพูดถึงเรื่องอธิบายเรื่องทุกข์คืออธิบายเรื่องอะไรแก่เจ็บตายไม่ใช่อธิบายเรื่องทุกข์กจ ใ, ade, กใจนะอธิบายเรื่องแก่เจ็บตายเพราะแก่เจ็บตายคือทุกข์คนยุคนั้นเขาอยากฟังเรื่องอะไรเรื่องอมตะถูกไหมทุกเมืองในยุคนั้นนั่นนงรอเลยว่าใครจะได้ออมตะคนแรกเขาอยากฟังเรื <fin S 2> <pand> e. ่ง<า>องอมตะ อมะตะคือเรื่องไม่แก่เจ็บตายนั้นไม่อยากฟังเรื่องอมะตะพระองค์ก็ต้องบอกกล่าวคนที่เฝ้ารออรมะตะว่าไม่มีนะไม่มีนะจะไม่มีก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้แก่เจ็บตายคืออะไรทุกข์คืออะไรจะรู้เรื่องทุกข์หรือเรื่องแก่เจ็บตายได้ก็ต้องพูดเรื่องขันห้าให้ฟังพอรู้แจ้งขันห้าจึงรู้ว่า ความแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดากับทุกชีวิตที่ต้องเกิด น, นี่คือความรู้ที่จําเป็นกับคนเมื่อสองพันกว่าปีนั้นเขาไม่รู้ไอ้เรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้สําหรับเราอะ่ะเราได้เปรียบเงี้ยเราผ่านมาสองพันกว่าปีเขาอยู่ตรงนั้นเขาเสียเปรียบเราเพื่อจ้าแสดงเรื่องทุกข์กระสับก็เลยเป็นเรื่องการอธิบายเรื่องความแก่เจ็บตายให้คนเข้าใจว่าคืออะไร พอเกิดความรู้เรื่องความแก่เจ็บตายนั่นหมายถึงเขารู้แจ้งขันห้าหรือยังรู้หรือยังรู้เพราะคนเราจะมีความรู้เรื่องความแก่เจ็บตายก็หมายถึงต้องเข้าใจขันห้าด้วยพอเข้าใจขันห้าก็คือเข้าใจชีวิตและโลกและกฎธรรมชาติเลยนะนี่คือความรู้หนึ่งกองใหญ่ๆเลยนะความรู้เรื่องขันห้าเนี่ยกว้างนะ ความรู้เรื่องกฎธรรมชาติเนี่ยกว้างนะนั้นความรู้เหล่าเนี้หนึ่งความรู้เรื่องทุกข์เนี่ยจึงเป็นความรู้ระดับญาณทนะัศนะหนึ่งตัวที่ทําให้คนสว่างสวยัยหายมืดเลยนี่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเรื่องทุกข์กษัตริย์เนี่ยยังหาอมะตะอยู่เลยถ้าไม่รู้เนี่ยนี่สำคัญมากพอเมื่อเจ้าแสดงว่าเรื่องทุกข์จบท่านก็เพราะว่าคนฟังก็จะเพราะว่าอา้อาวอมตะไม่มี พอไม่มีพระเจ้าก็บอกมันมีอยู่นะสิ่งที่ถึงแล้วจะพ้นแก่เจ็บตายได้นั้นก็คือจุดที่ทำให้ไม่เกิดแล้วท่านก็อธิบายเรื่องความดับอธิบายหรือว่าความดับมีอยู่หรือความลังงับนั้นมีอยู่อยู่ที่จุดที่จิตสิ้นบัณหานะสิ้นแล้วจิตจะสถานะเป็นอย่างนี้บริสุทธิ์สมบูรณ์สูงสุดในะที่ภาวะนี้ และขันจะดำรงอยู่เป็นอัตภาพสุดท้ายนะัจุดอันนี้การเกิดจะไม่มีในยุคนั้นจะอธิบายในยุคนี้ไม่ค่อยมีให้ได้อธิบายในยุคนั้นท่านจะอธิบายเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เขาตามหาก็มีแต่การมีมันเป็นแบบนี้และท่านอธิบายต่อว่าจะเจอความดับได้เนี่ยต้องทําให้สิ้นตัณหาเนะเพราะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ หรือเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดกันได้อีกก็อธิบายเรื่องตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกอย่างไรตัณหาทำไม่มีอุปทานได้อย่างไรอุปทานทำไม่มีภพได้ยังไงภพทำไม่มีชาติได้อย่างไรนี่คือการอธิบายเรื่องเหตุเกิดทุกข์คำว่าเหตุเกิดทุกข์ในที่นี้คือเหตุเกิดชาตินั่นเองเพราะว่าเกิดทุกคราวเป็นทุกร่าไปนั้น เหตุเกิดทุกข์ก็คือเพราะมีการเกิดจึงมีทุกข์ร่ําไปเหตุที่มีการเกิดก็เพราะมีภพเหตุที่มีภพก็เพราะมีอุปาทานเหตุที่มีอุปาทานเพราะมีตัณหานี้คือหลักวิชานะเราหลักวิชามาพูดก่อนว่างๆค่อยอธิบายนั้นการอธิบายเรื่องเหตุเกิดทุกข์ทำให้คนได้มองเห็นระบบชีวิตเลยว่าหากจะสิ้นการเกิดก็ต้องทําให้สิ้นภพ จะสิ้นพบต้องสิ้นอุปทานและจะสิ้นอุปทานต้องสิ้นตัณหาและนิพพานอยู่ที่ความสิ้นตัณหาอันนี้คือเข้าใจเข้าใจรู้ว่าอมตะแท้ๆที่ทำให้เป็นอมตะไม่มีรู้แล้วว่าชีวิตคืออะไรและรู้ว่าถ้าจะพ้นแก่เจ็บตายหรือพอตูเดียวคือต้องไม่เกิดและฟังจบก็รู้ว่าจุดที่จะไม่เกิดหน้าตาเป็นยังไง และจุดที่จะไม่เกิดอยู่ที่ความสิ้นตันหานะหน้าตาจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าแสดงเรื่องนิพพานหรือนิโรธอริยสัจ ร, รู้เลยว่าจุดที่จะไม่เกิดหน้าตาเป็นยังไงแล้วรู้ว่าต้องไปทำอะไรจึงจะถึงสิ่งนั้นหรือว่าต้องทำให้สิ้นตันหาจึงสิ้นอุปทานสิ้นภพและสิ้นชาติได้รู้แล้วรู้ว่ากิจที่ต้องทาว่าต้องไปทาให้สิ้นตันหา ถ้าจะละก็ต้องละตัณหาให้สิ้นถ้าไม่รู้ละมั่วสเป็ดสะปะได้ไหมถ้าไม่รู้ว่าต้องการจะพ้นแก่เจ็บตายเป็นยังไงถ้าไม่รู้ว่าทำยังไงก็ยังสับสนถูกไหมเพื่อเจ้าชี้เลยว่าพ้นแก่เจ็บตายเหลือมุมเดียวคือไม่เกิดก็เลยรู้ว่าออกต้องไม่เกิดต้องไม่เกิดจริงๆและท่านบอกอีกว่าจุดที่ไม่เกิดได้สำเร็จเนี่ย จุดนั้นต้องเป็นจุดที่จิตสิ้นความต้องการทุกสิ่งนะสิ้นตัณหานะความสิ้นตัณหาเมื่อถึงแล้วเนี่ยจิตจะแสดงสถานนะอันเป็นจิตสุดท้ายการเกิดอีกต่อไปไม่มีให้ปรากฏได้กับผู้สิ้นตัณหานี่คือบอกให้รู้พอบอกอย่างนี้แล้วก็บอกต่อว่า ตันหาเนี่ยเมื่อสิ้นไปก็จะถึงสิ่งสูงสุดได้พ้นเกิดได้นั้นกิจข้อปฏิบัติก็ต้องทำลายที่เหตุก็คือจัดการที่ตัญหานี่เองพอสิ้นตันหาได้อุปทานพบชาติก็จะสิ้นไปพอสิ้นชาติการเกิดสิ้นไปความแก่เจ็บตายก็สิ้นไปด้วยนั้นจึงเป็นจุดเดียวที่พ้นทุกข์ทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้เลยว่า มองภาพออกเลยว่าชีวิตคือระบบธรรมชาติที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราและต้องดับเป็นธรรมดาแล้วรู้เลยว่าถ้าจะไม่แก่เจ็บตายต้องจัดการที่เหตุ ค, คือการเกิดต้องทำให้สิ้นการเกิดและรู้ว่าการเกิดนั้นจะสิ้นไปที่ความสิ้นตันหาอยู่ที่ความสิ้นตันหานอริยสัจสก็บอกว่านิโรธาอริยสัจอยู่ที่ความสิ้นตันหา เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยรู้ว่าถ้าจะต้องปฏิบัติเพื่อละหรือทำให้บางสิ่งสิ้นไปก็คือต้องละอะไรตัหากิจการปฏิบัติมันชัดขึ้นว่าต้องทำให้สิ้นตันหาจึงถึงอมะตะรมได้กิจปฏิบัติรู้เลยว่ารู้ละต่อจากนี้ต้องไปผ่านวันคืนทำให้สิ้นตันหาให้ได้พอนิพพานอยู่ที่ความสิ้นตันหา มองเห็นรู้ว่าต้องละอะไรคือถ้าไม่รู้ว่าละอะไรและไม่รู้ว่าละไปเพื่ออะไรนี่เขาละให้สิ้นเพื่อจิตจะถึงจุดที่จะกลายเป็นจิตที่สิ้นการเกิดละเพื่อจิตถึงจุดฐานนะสำหรับจะเป็นจิตที่สิ้นการเกิดเพราะการเกิดจะสิ้นไปเจอได้ที่ความสิ้นตัณหาอันนี้คือเขารู้ังนั้นเขารู้ว่า ทำให้สิ้นตัณหาเพื่อถึงจุดที่ทำให้จิตนั้นสิ้นการเกิดจุดนั้นอยู่ตรงนี้และทำให้รู้ว่ากิจการปฏิบัติในด้านการทำให้บริสุทธิ์ในด้านการละเนี่ยรู้ว่าต้องไปละอะไรพอไม่รู้จะละสะเปสสป่าบางก็ไปละตัวคิดบ้างไปละตัวนั้นบ้างไปละตัวนี้บ้างเพื่อจ้าให้ละตัณหาเพราะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุก สิ้นตัณหาเหตุที่ทําให้เกิดชาติเหลือไหมไม่เหลือไม่เหลือจะบละตรงตัวเกิดก็ไม่ได้ต้องทําให้สิ้นพบจะสิ้นพบต้องสิ้นอุปทานจะสิ้นอุปทานต้องสิ้นตัณหา น, นี้เป็นรายละเอียดเรื่องเหตุเกิดทุกขน์นะทาให้พอเข้าใจอริยสัจพุทธเจ้าในภาพหลวมๆเนี่ยรู้ว่าชีวิตคืออะไรรู้ว่าการแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอมตะไม่มีใครเกิดมาต้องแก่เจ็บตาย สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับทำให้พบว่าเลิกหาแล้วอะไรทำให้ฉันไม่ตายไม่มีกลับรู้ว่ามันยังมีอีกทางหนึ่งคือสิ่งที่ถ้าอยากพ้นทุกข์จริงๆต้องทำให้สิ้นการเกิดและในจุดที่สิ้นการเกิดนั้นหมายถึงจุดที่จิตแสดงความระ ง, งับความดับของสังขารทั้งหลายกิริยาของขันหยุดรอบดับลงไปพระเจ้าใจที่บายในหน้าตาที่สิ้นตัณหาเนี่ย กิริยาของจิตดับเลยสัญญาเวทนาสังขารเนี่ยดับตัวลงไปนะจุดนั้นขณะที่ยังลืมตาหรือวิญญาณรู้ยังดำรงอยู่นี่แหละก็เจอสิ่งนั้นได้และบอกว่าการปฏิบัติที่จะถึงจุดนั้นต้องทำให้ตัณหาสิ้นไปก็ทำให้รู้ว่าเราจะทำอะไรกับการสแสวงหาสิ่งที่ทำให้พ้นทุกข์ อยากพ้นทุกข์ก็ต้องทำให้สิ้นตัณหาก็เลยรู้ว่าวันคืนต้องละอะไรตัณหาตรงประเด็นไหมตรงประเด็นไม่เสียเวลาสับสนเอ๊ฉันจะละอะไรจะละตนนั้นจะถึงไมมแล้วละเพื่ออะไรบางคนยังไม่รู้ว่าละเพื่ออะไรแต่นี้พุทเจ้าบอกให้รู้ว่าถ้าสิ้นตัณหาแล้วจิตจะรู้ถึงฐานะของการเป็นจิตที่สิ้นการเกิดได้จะถึงอันเดียวพระ อ, องค์ต้องทาให้สิ้นตัณหานะพอมองภาพออก พระ อ, องค์ก็อธิบายอีกตัวหนึ่งเรื่องวิธีปฏิบัติที่จะทําให้สิ้นตัณหาได้ก็เลยอธิบายเรื่องมรรคอันประกอบด้วย อ, องค์แปดตัวหนึ่งให้คนเข้าใจว่าจะต้องทําอย่างไรอย่างไรผ่านวันคืนอย่างไรจรึงจะทําให้สิ้นตัณหาได้ก็อธิบายเรื่องมรรคพออธิบายเรื่องมรรคนี้เข้าใจวิธีปฏิบัติเลยเข้าใจจนพระเจ้ารู้ว่าเข้าใจแล้วนะท่านก็บอกว่า น้นคนไม้น่นเรือนว่างเธอจงไปเพียนเผากิเลสอย่าประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยไล่ไปเนี่ยจะไปว่าพระ อ, องค์มั่นใจหรื อ, อยังว่าเขาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะเพื่อเจ้าอธิบายวิธีปฏิบัติอธิบายให้เขาฟังเนี่ยโดยต้องการอธิบายให้เข้าใจหรืออธิบายเฉยๆอย่างนั้น ต้องให้เข้าใจถูกทุกกายที่บาบมีแต่ต้องให้เข้าใจางนั้นเมื่อพระองค์ตั้งใจอธิบายด้วยปัญญาของพระองค์กับบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเพื่อให้เข้าใจมันย่อมเป็นไปได้สูงที่จะเข้าใจว่ามรรคเนี่ยต้องไปทำยังไงแต่ยุคเราเนี่ยไกลวิญญาณเมื่อกี่ปีสองพันกว่าปีพระองค์ไม่ได้อธิบายให้เราฟังว่ามรรคมันต้องทำงานอย่างไร กลายเป็นเราต้องไปตีความเองอันไหนเหนื่อยกว่าตีความเองเพราะตีความเองเนี่ยตีได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ละตัวเท่ากับคนเนี่ยพอฟังพระเจ้าครบสี่เรื่องเนี่ยเขาสามารถเข้าใจเรื่องขันได้เลยว่าคืออะไรเข้าใจได้เลยว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดชาติอย่างไงพระเจ้าที่บายให้ฟัง เข้าใจเลยว่าจุดที่สิ้นตัณหาแล้วจิตจะเป็นยังไงพระเจ้าจะอธิบายหน้าตาให้ฟังว่าจิตพอสิ้นตัณหาแล้วจะหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นะถึงแล้วจิตจะดำรงอยู่เป็นอรภาพสุดท้ายนะการเกิดต่อไปจะไม่มีอธิบายให้ฟังเป้าหมายหน้าตาแบบนี้เธอต้องถึงสิ่งที่เธอต้องละคือตัวนี้นะเอาออกให้หมดกับสิ่งที่เธอต้องไปปฏิบัติอบรมบ่มเพราะต้องไปผ่านมันคืนกรรมคือเรื่องมรรคเนี่ย ท่านอธิบายพอฟังจบรู้ทั้งเรื่องขันว่าเป็นอย่างไง ร, รู้ว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์และตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้ยังไงทําให้เกิดชาติได้ยังไงหรือว่าจะเป็นที่สุดแห่งทุกข์มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสิ้นสุดการเกิดจะไม่เกิดต้องทำให้จิตรู้ถึงความสิ้นตัณหาให้ได้ก่อนมาถึงแล้วจุดที่สิ้นการเกิดหน้าตามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะฟังแล้วเข้าใจ แต่ยังไม่ถึงแต่เข้าใจกับอธิบายวิธีปฏิบัติให้รู้ว่าทำยังไงถึงสิ้นตันหานฟังก็เข้าใจว่าทำยังไงฟังครบสีเรื่องเนี่ยเรื่องชีวิตก็เข้าใจเรื่องเหตุกิดทุกข์ก็รู้ว่าอะไรเข้าใจดีว่าตันหาเป็นเหตุกิดทุกข์ยังไงแค่ยังไม่ได้ละฟังเข้าใจว่าถ้าจะสิ้นทุกข์จริงๆเหลือมุมเดียวต้องสิ้นการเกิดจะสิ้นการเกิด ฐานะที่จิตจะสิ้นการเกิดได้อยู่ที่ความสิ้นตัณหาและจิตที่สิ้นการเกิดนั้นเนี่ยหรือสิ้นตัณหาเป็นแล้วนั้นเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงพระเจ้าอธิบายให้ฟังเข้าใจว่าหน้าตาเป็นยังไงกับอธิบายวิธีปฏิบัติถ้าต้องการสิ้นตัณหาต้องทำอย่างไรพอที่บายจบก็เข้าใจว่าต้องทำอย่างไรเหลือแค่ไปทา เหลือแค่ไปถึงความสิ้นตัณหาให้ได้เหลือแค่ไปทําการละตัณหาให้หมดไปในวันคือเหลือแค่ไปทําแต่เข้าใจหมดทุกเรื่องได้ไหมจากการฟังเข้าใจทั้งสี่เรื่องได้ไหมได้นะเข้าใจสี่เรื่องกับเห็นแจ้งทั้งสี่เรื่องเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะระดับคําว่าเข้าใจจนไม่สงสัยนะไม่สงสัย ในระดับหนึ่งกับหมดความสงสัยโดยแท้จริงมันจะมีระยะแตกต่างกันอยู่อย่างเช่นหมดความสงสัยเรื่องนิพพานเนี่ยไม่มีทางมีได้กับทุกคนเว้นคนที่ถึงแล้วต่อให้รู้นิพพานเป็นยังไงไอธิบายเข้าใจ ตามที่พูดเลยจินตนาการตามวจิตจะจะหยุดระ ง, งับสัญญาเวทนาสังขารจะดับเจตนาจะดับผัสสะจะขาดจิตหยุดปรุงไม่มีสมมุติบัญญัติไม่มีอะไรฟังก็ดูเข้าใจแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยยังสงสัยได้ไหมได้มันจะยังไงมันจะยังไ ง, งสงสัยได้นี้พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจ4ี่ประการเนี่ยท่านจริงแสดงแล้วต้องครบมันครึ่งๆกลางกงไม่ได้ ถ้าแสดงแค่ให้รู้เรื่องแก่เจ็บตายแล้วหยุดแค่นั้นได้ไหมไม่ได้เพราะรู้ว่าเอา้าไม่มีไม่มีทางไปนี่เกิดมาต้องตายเป็นธรรมดานี่อแล้วยังไงต่อเลยอยากเป็นอมตะท่านก็ต้องไปพูดถึงอะไรฐานะว่ามันมีอยู่นะถ้าอยากไปต่อต้องพูดเรื่องความดับทุกไหมพูดว่าหน้าตาจุดที่จะพ้นแก่เจ็บตายมันมีอยู่นะตรงนั้นจะต้องทาให้สิ้นการเกิด และจุดที่สิ้นการเกิดได้จุดนั้นจิตจะบริสุทธิ์เต็มที่และแสดงหน้าตากิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นและจุดนั้นอยู่ที่ความสิ้นตัณหาบอกให้เห็นเป้าหมายว่ามีอยู่หน้าตาอย่างนี้และบอกว่าเหตุที่ทำให้บุคคลยังต้องเกิดมูลเหตุที่ยังต้องเกิดก็คือเพราะมีตัณหานี่แหละมันจึงยังไม่สัตว์ยังต้องเกิดนั้นการปฏิบัติที่จะถึงจุด สิ้นตันหาก็คือต้องมีวันคืนของการทําให้ตันหาสิ้นไปหรือการละตันหาด้วยพอตันหาทําให้เกิดชาติอย่างไงพอมีชาติจึงมีทุกขอย่างไงนี่คืออธิบายเคราโครงของเหตุเกิดทุกข์ให้ฟังจนรู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์อ่อนตันหามันทญเทมีชาติอย่างนี้พอสิ้นตันหาแล้วจิตมันจะมีหน้าตาอย่างนี้การเกิดจึงไม่มีพอไม่มีการเกิด จึงพ้นแก่เจ็บตายได้เข้าใจทุกคือเข้าใจชีวิตเข้าใจเป้าหมายแท้จริงว่ามันมีอยู่หน้าตาแบบเนี้ยเข้าใจว่าถ้าจะถึงต้องทำให้สิ้นตันหาเพราะตันหาเป็นเขตที่ทำให้ยังเกิดเข้าใจอย่างนี้จบแค่นี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเข้าใจเสร็จเข้าใจเสร็จสิ้นตันหาหมะไม่สิ้นรู้ว่าต้องสิ้นตันหาก็รู้ว่า ทิพพันอยู่ที่ความสิ้นตันหาแต่ไม่รู้ว่าจะทนึงก็เลยต้องอธิบายมั๊กอีกตัวพอรู้เรื่องมั๊กจึงรู้ว่าอ๋อรู้แล้วว่าจะทําอย่างไรทีนี้อะไรหมดไปหมดสังโยชน์สามตัวได้เลยในยการรู้สี่เรื่องเนี่ยหมดสังโยชน์สามตัวนะเขาเรียกดลตายธรรมเนี่ยตัวแรกรู้แจ้งขันห้าการรู้แจ้งขันห้าหรือทุกขาริยสัต์เนี่ย ทำให้บุคลคลค้นพบเรื่องความว่างจากเราจริงไหมค้นพบความรู้เรื่องความไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นไปได้ไหมรู้แจ้งขันห้าแล้วหรือรู้แจ้งทุกขอริยาสัตว์แล้วเนี่ยไม่พบว่าไม่มีเราเป็นไปได้ไหมถ้ารู้แจ้งต้องพบใช่ไหมอ่าตําลาเขาว่าอย่างนั้นเ <laughs> พื่อเจ้าอยากรู้เรื่องความแก่เจ็บตายอยากรู้เรื่องทุก เลยต้องศึกษาขันห้าพอศึกษาขันห้าเลยพบความไม่มีเราว่างจากเราไม่มีสัตว์มีบุคคลพอพบเรื่องความว่างจากเราความเห็นเดิมที่เคยเชื่อมานานว่ามีเราอยู่มาโดยตลอดเชื่อในทางมีอัตตากขเรียกสักกายะสักกายะคือตัวเราหรือตัวบุคคลหรือถือมั่นในตัวตนก็เรียกสักกายะ ส ก, กายะกับคำ ว, ว่าร่างกายนี่คนละตัวนะกายยะกับสักกายยะนี่ไม่เหมือนกันนะสักกายะนี่คือตัวตนนะสำคัญว่ามีตัวตนตัวบุคคลตัวเราในขันทั้งห้าเลยพอเห็นถึงความว่างจากเราไม่มีเราความเชื่อไปในทางที่เชื่อมานานว่ามีตัวเราเนี่ยถูกทำลายั้ยถูกั้มต้องล ะ, ะั้ย แต่เดิมเชื่อมาตลอดว่ามีเรามาโดยตลอดอ่ะแต่ดันไปพบขันห้าว่ามันไม่มีเราเนี่ยแล้วเชื่อจริงๆว่ามันไม่มีเราอย่างแท้จริงปฏิเสธไม่ได้เลยเนี่ยความเชื่อเดิมที่เชื่อมานานถูกทำลายลงไหมทาลายลงต้องละไหมต้องละความเชื่อเช่นเรารู้ถูกว่าว่างจากเราเสร็จเราต้องเอาความรู้ใหม่ไปนั่งละความรู้เก่าไหมต้องไหม ไม่ต้องพอรู้ใหม่เกิดขึ้นก็รู้เอาอันเก่ามันผิดนี่ก็เลยเปลี่ยนความเชื่อใหม่ไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วไปเชื่ออย่างนี้แทนเชื่ออย่างนี้แทนเชื่อว่าไม่มีเราครั้งแรกเชื่อว่ามีเราเชื่อว่ามีเราเพราะเห็นว่ามีเราเชื่อใหม่เชื่อว่าไม่มีเราเพราะเห็นว่าไม่มีเรา เห็นสักกายะทิฏฐิสังโยชนี้สิ้นไปเลยเมื่อรู้เรื่องทุกขสัตต์ตัวเดียวแต่สังโยชน์มีสามต่อมาศีละพัตตปรามาสสังโยชน์สีละพัตตปรามาสสังโยชน์ะคนชอบตีความว่าศีละพัตตปรามาสคืองมงายขาดเหตุขาดผลเชื่อผีสางเทวดาเชื่อครั้งศักดิ์สิทธิ์วิเศษตีว่าคำว่างมงายแต่จริงแล้วไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น ศีละพัตตปรามาถ้าใครฟังให้ดีจะคุ้นกับคําว่าสีและพัตตุปาทานศีละพัตุปาทานก็คือยึดมั่นในศีลและพลศีลแลพตตาปรามาแปลว่ารูปคลําในศีลและพลศคําว่าลศีลพรศคืออะไรในสมัยโบราณเนี่ยการสแสวงหาพรหมจรรย์หรือการสแสวงหาศีลก็คือการสแสวงหาความบริสุทธิ์การสแสวงหาพรหมจรรย์ การบำเพ็ญพรตก็คือการบำเพ็ญปฏิบัติหรือการสแสวงหาการเจริญภาวนาการเจริญภาวนานักพรตก็คือนักภาวนาผู้ทรงศีลก็คือผู้สแสวงหาความบริสุทธิ์การสแสวงหาในความบริสุทธิ์และก็สแสวงหาธรรมจากการบำเพ็ญพรตหรือภาวนาก็เรว่าศีพลพรตแต่ลูกคลมในศีนพลพรตก็หมายถึงว่า การบำเพ็ญหรือการปฏิบัติเนี่ยยังลูก ร, รูปคำคลำอยู่คําว่าลูกรูปคำเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นทางเพราะยังสเปะสปะทําไปเหมือนกับคนหลับตารูปก็คือเอ๊ะมันใช่ไหมคลําก็หมายถึงว่าโดนอะไรไอ้ น, นี่อะไรก็ลูกรูปคำการปฏิบัติที่ยังลูกรูปคลําอยู่เนยแสดงว่าเข้าใจวิธีหรือยังมองทางออกหรือยังยังคนที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ย เขาไม่รู้ว่าอมะตะก็ไม่มีเนี่ยใช้รูปคล้ำไเขากำลังรูปคํมม้ำไกระทาอะไรเหมือนลองถูกมหลองวิธีนั้นลองวิธีนูน้นลองครูคนนั้นลองครูคนนูน้นใช้รูปคล้ำไรูปคล้ำแต่พอเข้าใจระบบปฏิบัติที่ชัดเจนรู้แล้วว่าอมะตะไม่มีนั้นความชัดเจน เขาชัดขึ้นว่าเขาจะไปสะแสวงหาสิ่งที่ทำให้เป็นอมตะอีกมะไม่ชัดขึ้นไหมรูปคลาอีกไหมไม่รูปแล้วต่อมารู้ว่าต้องรักอะไรชัดเจนนะชัดเจนขึ้นว่าต้องรักอะไรและชัดเจนขึ้นว่าต้องทำให้สิ้นการเกิดรู้ละเป้าหมายชัดว่าสิ้นการเกิดตรงประเด็นมตรงเรื่องต้องทาให้สิ้นการเกิดจะสิ้นการเกิดต้องทาให้สิ้นตัณหา จะสิ้นตัณหาต้องละตัณหาอันนี้ชัดขึ้นรู้ชัดว่าต้องละอะไรรู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนต่อมารู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรรู้เรื่องมรรคต้องอบรมอะไรจึงสิ้นตัณหาได้เข้าใจทั้งเรื่องทุกเรื่องเหตุเกิดทุก์เรื่องความดับทุกเรื่องมรรคทาให้การปฏิบัตินั้นสเปะตสป่าอีกไหมต้องคลำไห ม, ม พอไม่คลําทีนี้ไหลไปสู่กระแสนิพพานไหลเลยแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องขันจะเข้าใจกฎธรรมชาติไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจกฎธรรมชาติกลายเป็นคนงมงายได้ไหมได้แค่เรื่องทุกข์สัตว์ตัวเดียวเนี่ยทําให้ละความงมงายอย่างเหตุอย่างขาดเหตุขาดผลได้เลยทําให้การคนไม่งมงายการคนมีเหตุผลด้วยและทําให้รู้ว่า สิ่งที่ทําให้ตัวเองกลายเป็นอัมตะไม่มีเลิกหาเลยเลิกหาเลยไม่เสียเวลาเลยไม่เสียเวลาไปเยอะเลยกับรู้ว่าต้องละอะไรตรงประเด็นเลยไม่เสียเวลาเลยไม่รูปคําแล้วกับรู้ว่าปลายทางอยู่ที่ความสิ้นตันหาต้องทําให้สิ้นตันหาและสิ้นการเกิดชัดเจนเรื่องปลายทางที่มัน่นคงจสะสเปดสป่าอีกไหมเพราะมองภาพออกแล้วว่าปลายทางคืออะไร หน้าตาเป็นยังไงกับบุคคลอยากถึงอมะตะรู้ไหมหน้าตาอมะตะเป็นยังไงไม่มีใครรู้เลยพุทธการมีใครรู้ไหมพอไม่รู้ใช้คลำไห ม, มคลําทุกคนกําลังคลํากําลังหาว่าอันนี้ใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมนี่คือรูปคลํานั้นการปฏิบัติของเขาอย่างรูปคลําตลอดการปฏิบัติความสงสัยกวนได้ไหมกวนได้ทุกระยะแต่พอรู้แจ้งทุกข์เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข์รู้เรื่องมรรคเนี่ยความสงสัยที่จะก่อกวนให้ล ะ, ล, ะ, ล, ะล้าละลันเหลือไหมเหลือไหมไม่เหลืออีกต่อไปรู้ว่าต้องทำอย่างไงเพื่ออะไรถึงอะไรไหลเลยไหมรูปคําอีกไหมนี่คือสิ้นศีละพตะสังโยชนี่นการรู้แจ้งอริยสัจสี่ตัวเนี่ยทําให้หมดศีละพตะสังโยชน์ไปอีกหนึ่งตัวต้องละไหมะ สีรับตาสังโยชน์ละได้ไหมถ้าคนไม่รู้อริยสัจสิ้นได้ไหมไม่ได้เพราะยังคลั่ไอ้สำนักนู้นสอนแบบนี้ไอส้สำนักนี้สอนแบบนั้นสำนักนั้นให้ทําอย่างนี้ลองมาทุกสำนักยังสงสัยได้ไหมถ้ายังไม่รู้อริยสัจก็ยังสงสัยได้นั้นศีลปับตาปรามาสสังโยชน์จะสิ้นไปในโสดาบันผู้แรกสู่กระแสนิพพานผู้แรกแรกก็คือเข้าใจแล้วว่า ทำอย่างไหลนั้นการไปเนะ่เริ่มไหลแนะก็แเรียกไหลเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าทำอะไรทีนี้เราไม่ละล้าล ะ, ล, ะลังอีกแล้วมันจะไหลไหมไหลแต่ถ้าทำไปํำไปไหลไหเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกเดี๋ยว เ, วเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังนั้นเพราะยังมีสีละพระตะปรามาตสังโยชน์ที่ยังไม่สิ้นไปกับพอคนรู้เรื่องทุกข์สัตย์ รู้เรื่องขันแจ่มแจ้งรู้เรื่องเหตุเกิดทุกความดับทุกเรื่องมรักแล้วเนี่ยเขาจะหมดความสงสัยเลยอารมณ์สงสัยเรื่องอมาตะาเนี่ยหมดเลยเพราะว่าไม่มีหมดความสงสัยว่าปลายทางเป็นยังไงรู้แล้ ว, วปลายทางต้อ ง, ต, องต้องทํำยังไงถึงสิ้นทุกหมดความสงสัยรู้เลยว่าต้องละ อ, อะไรหมดความสงสัยรูนะ้เลยว่าต้องทําอย่างไรหมดความสงสัยไหมหมด ถ้ารู้ทั้งเรื่องชีวิตรู้กฎธรรมชาติรู้เหตุเกิดทุกข์รู้เป้าหมายรู้วิธีปฏิบัติครบแล้วเนี่ยรู้ว่าต้องทำยังไงเนี่ยอารมณ์มันไม่เหลือสงสัยเลยมันมีแต่ความมั่นใจมั่นใจแล้วก็มั่นคงเหลือแค่ไปทำนั้นข้อนี้จึงจะไม่หมดความสงสัยทั้งในธรรมและหมดความสงสัยเครือบแคลงแม้ในพระพุทธเจ้าผู้ให้ธรรม และหมดความสงสัยไปถึงสาวกทั้งหลายผู้รู้ถึงธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าวิจิกิจฉาสังโยชนิสิ้นไปเมื่อรู้อริยสัจทั้งสี่อย่างสี่อย่างนะพระเจ้าในยุคนั้นเนี่ยเวลาแสดงอริยสัจแสดงแค่ทุกตัวเดียวได้ไหม ล, ววละเบิกแค่นั้นไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ต้องไปต่อเพื่อรู้ว่าปลายทางมีนะไปลาทางเป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ และเหตุที่ทุกยังไม่ดับเพราะมันมีตัวนี้เป็นเหตุนะต้องละตัวนี้นะแล้วถ้าจะละเธอต้องทำแบบนี้นะที่สุดต้องอธิบายอริยสัจทั้งสี่อย่างไหมอยู่ดีไหมแล้วถ้าเข้าใจอริยสัจสี่ครบสังโยชน์สามสิ้นได้ไหมได้ไหมได้แน่ใจนะ <laughs> อธิบายสี่ครบเข้าใจตามครบความรู้ฉันรู้เรื่องอริยสัจทั้งสี่ เมื่อทำให้สัญญาณสามสิ้นไปความรู้นั้นใช่ดวงตาเห็นธรรมไหมนั้นคือดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งอริสัตยนั่นและเกิดความรู้ชั้นดวงตาก็คือปัญญามีปัญญาเห็นธรรมในระดับที่ทำให้สัญญาณสามสิ้นไปนั้นคือโสดาบันนั้นปัญญาเห็นธรรมก็คือเห็นเรื่องอะไรเรื่องอริยสัจสี พพุทธเจ้าเวลาเทศอะเทศครบไหมเทศสี่อย่างเทศขึ้นกลางไม่ได้ถ้าเทศแบบ่มุ่งหมายเทศเพื่อคนฟังทําไมเข้าใจถูกไหมหรือเทศทิ้งๆคว่างๆเทศเพื่อให้เข้าใจเมื่อเทศแล้วเพื่อให้เข้าใจถ้าคนนั้นอินทรีย์แก่กล้าราคะโทสะมหาอบบางจริงๆเข้าใจได้ไหมเข้าใจเรื่องทุกข์ได้หมดสัมาระทิ่ถีเข้าใจเรื่องเหตุเกิดทุกข์ความแบบทุกข์มรรคสี่ตัวครบ หมดสีล้วพัฏฐ์ปา마ทาและวิจิกิจชาไปเลยหมดเลยหมดนี้ต้องละไหมมันไม่ใช่การละแต่มันหมดไปเพราะเห็นแจ้งอริยสัจการเห็นแจ้งอริยสัจในระดับแรกเขาเรียกดวงตาเห็นธรรมเพราะเห็นแล้วตัญหายังอยู่เห็นแล้วราคะโทสะโมหะยังไม่หมดแต่รู้แล้วว่าต้องทํำยังไงมั่นใจแล้วว่าเป็นอย่างไร รู้แล้วว่ากฎธรรมชาติเป็นยังไงทีนี้ถ้าโยมอยากเป็นโสดาบันโยมก็จะต้องทำให้สิ้นอะไรสังโยชน์สามตัวแล้วสังโยชน์สามตัวจะสิ้นไปโยมต้องมีความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรมความรู้ชั้นดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรอริยสัจสี่อย่างและต้องเป็นอริยสัจฉบับเดียวกับที่พระเจ้าตรัสรู้ด้วยตกลงจะเป็นโสดาบันทั้งทีเนี่ย ไปรู้เรื่องอื่นได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าพระเจ้าเอาเครื่งวัดมาไว้ให้คือสังโยชน์แต่เราก็ยังตามหาได้ถ้าเราไม่ทิ้งการศึกษาศาสนาการที่เราจะให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างไรเหตุเกิดทุกขเป็นอย่างไรความดับทุกขเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไรให้รู้เนี่ยก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเราคิดจะตามหาจริงๆ อยากเป็นโสดาบันต้องสิ้นสังโยชน์สามตัวจะสิ้นสังโยชน์สามต้องมีดวงตาเห็นธรรมจะมีดวงตาเห็นธรรมก็คือมีความรอบรู้เรื่องอริยสัจทั้งสี่ประการจะมีความรอบรู้อริยสัทจสทั้งสี่ประการก็ต้องหันไปศึกษาอริยสัจทั้งสี่ให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุเกิทกเดทกุกเป็นอย่างไรความดับทุกเป็นอย่างไรมรรคเป็น ถ้าโชคดีไปเจอฉบับเดียวกับพระเจ้าแล้วรู้ตามขึ้นมาเมื่อไหร่นั้นหมายถึงมีดวงตาเห็นธรรมง่ายไหมแค่นี้เองังั้นใครต้องการตามหาโสดาบันเนี่ยก็ต้องไปผ่านวันคืนใส่ใจอริยสัจสี่ให้มากไปกว่าเดิมให้กระจ่างให้กระชับให้ลึกซึ้ง วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาบ้านอารีก็พูดถึงเรื่องราวของอาริยสัตว์ไว้คร่าวๆเป็นแง่มุมเล็กๆสาหรับคนต้องการแก่นสารคือมรผลอิปทานโซดาบันคือแกนพอเข้าถึงคำว่าแก่นเริ่มที่โซดาบันถ้ายังไม่ถึงโซดาบันยังไม่แก่นถ้าคำว่าแก่นเริ่มที่โซดาบันถ้าคนต้องการแกน ก็ต้องศึกษาสิ่งที่ทำให้ได้ถึงแก่นนั่นคืออริยสัจศึกษาให้ดีหนึ่งชีวิตเราผ่านมันคืนเกาะอริยสัจให้นานแน่นก็จะสามารถเข้าใจได้ไปทีละเล็กทีละน้อยมีสาระประโยชน์วันนี้ก็พอสมควรนะอนุโมทนากับทุกๆคนที่มีความตั้งใจใฝ่ในธรรมก็ ขอให้มีความเจริญงอกงามเข้าใจในธรรมเข้าใจอริยสัจได้ทุกคนสาธุ